สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตของพระเยซูตอนที่เก้านะครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าถึงยอนเดอแบปติสนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเยซูเขามีอายุมากกว่าพระเยซูหกเดือนนะครับและในตอน ต, อต่อไปในภายภาคหน้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่ายอนเดอแบปตินั้นเป็นผู้ให้บัพติสมาพระเยซูและเขาได้ทำร้ายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งเป็นการกุยทางและนาทาง ทำมันคาขององค์พระบุญเจ้าให้ตรงไปเขาเป็นทู่ที่นำหน้าองค์พระบุญเจ้าอย่างไรนะครับเราจะตามตอนต่ อ, ตอไปในภายภาคหน้าแต่ในวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทบริบททางประวัติศาสตร์ของคนยิวนะครับในสมัยพระเยซูพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าโรมนั้นได้ปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์มานะครับตั้งแต่หกสิบกว่าปีก่อนพระเยซูเกิดครับ จนกระทั่งถึงคศสอ70หลังจากที่พระเยะซูเกิดแล้วนะครับก็ตกอยู่ประมาณร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีนี้เป็นร้อยกว่าปีที่โรมได้ลุ่งเรืองและได้เข้ามาครอบครองยึดอํานาจของแผ่นดินปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยะซูทับพี่น้องครับโรมนั้นหลังจากคศที่70นั้นโรมนั้นไม่ได้หมดอํานาจนะครับเพียงแต่ว่าเยอเซลมนั้น ก็สิ้นกรุงหรือเสียกรุงเยซอรมัน er นั้นเสียกรุงแล้วก็ถูกทําลายอย่างราบคาบร่วมทั้งพระวิหารด้วยครับเรารู้นะครับว่ากําแพงของกรุงเยอรมันนั้นถูกทําลายนะครับจนกระทั่งเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็คือ Western wall ล์ท่นั่นเอง Western wall ก็จะเป็นกําแพงที่คนยิวนั้นได้ถือโอกาสในการที่จะอธิษฐานในการที่ร้องทูลขอ ขอสันติสุขสันติภาพเข้ามาสู่กรุงเยลเซมที่พวกเขารักและรอคอยว่าพมาสีหาจะเสด็จมาเมื่อไหร่เพื่อที่พระวิหารของชาวยิวนั้นจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในอนาคตทีน้ครับทุกวันนี้ชาวยิวก็ร้องไห้อยู่ที่กำแพงร้องไห้ที่เรียกว่าเ i ลิงวอลล l นะครับก็คือทำแผงทางด้านตะวันตกของกรุงเยลเซมนั่นเองแล้วกลับมาดูนะครับนับพันพันปีมาแล้วนะครับ ยิวนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมการครอบครองของมหาอำนาจทั้งหลายในสมัยของโมเสสนั้นยิวอยู่ภายใต้อียิปต์นะครับต่อมาก็อยู่ภายใต้ซีเรียซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าดามัสกัสมีกษัตริย์ของซีเรียนะครับหลายหลายองค์เลยนะครับก็แต่งทัพมาตีอิสราเอลแล้วก็ได้รับชัยชนะไปแล้วก็อยู่ภายใต้มหาอำนาจจักรวรรด บาบิโลนครับต่อมาก็เป็นมีเดียเปอร์เซียนะครับต่อมาก็เป็นกรีกอเล็กซานเดอร์มหาราชต่อมาก็เป็นโรมครับโรมก็คือซีซ่าทั้งหลายพี่น้องครับในศตวรรษที่หนึ่งนั้นโรมปกครองแผ่นปาเลสไตน์เราเห็นว่ายิวนะครับคนอิสราเอลหรือคนยิวนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบครองเป็นประเทศราชเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตลอด นะครับหลายพันปีที่ผ่านมาโรมเมื่อเข้ามาปกครองแผ่นดินปารีสตายนั้นโรมก็นิยมใช้ในโยบายแบบโรมครับนโยบายแบบโรมก็คือการสั่งการเป็นไฮราคีไฮราคีนั้นก็คือเป็นลำดับชั้นลงมาจากข้างบนนะครับซีซ่าใหญ่ที่สุดนะครับจะมีสภานะครับซีเนตนะครับของซีซ่าเป็นการคานำํำนาจกัน ในการเดียวกันนะครับซีซราก็แต่งหรือแต่งตั้งให้กษัตริย์เฮโรดนะครับซึ่งกษัตริย์เฮโรดนี้เป็นคนที่ทางโรมเนี่ยไว้วางใจมากและในขณะเดียวกันครับเขาต้องสร้างเครดิตให้กับซีซราเพื่อที่ให้ซีซารู้ว่าเมื่อส่งเฮโรดไปครอบครองแผ่นนิปอลิสตา์แล้วเฮโรดจะส่งภาษีนะครับมาสนับสนุนทัพของตัวเองเพื่อที่จะให้ อำนาจของซีซานั้นยังดำรงคงอยู่ได้เฮโร่ Hero นั้นเ็าเรียกว่าเป็นโลคอลูแมนก็ประเด็นนะครับก็คือเป็นการปกครองจากโรมที่ไปถึงภาคส่วนต่างๆทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศราชต่อไปนะครับเฮโร่ Hero นั้นก็จะครอบครองอยู่โดยที่เฮโร่นั้นใช้ในโยบายของโรมครับก็คือ ดูเหมือนว่าให้ยิวนั้นปกครองตัวเองได้พี่น้องครับรัฐบาลโรมนะครับใช้วิธีปรับเกินเข้าสู่วัฒนธรรมปรับเกินแบบในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าซิงเกติซึมซิงเกติ ism นะครับ S Y N C R E T I C S M นะครับซิงเกติกนะครับซิงเกติ ism สิ่งศักดิ์สิทธแปลว่าการปรับกลืนเข้าพรนธรรมเพื่อกลืนนะครับประเทศราชการกลืนตรงนี้เข้ามาแบบแนบเนียนครับก็คือเขาใช้คําว่าหนึ่งประเทศสองระบบระบบนะครับระบบแรกคือระบบการเมืองครับระบบที่สองคือระบบศาสนาทางด้านการเมืองนะครับเขาก็ใช้วิธีการแต่งตั้งผู้ครอบครองทางด้านศาสนานั้น เขาก็ประกาศว่าให้มีสรภาพในการที่จะมีศาสนาของตัวเองนะครับให้มีมหาปุโรหิตให้อยู่ในบัญญัติของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็บอกว่าศีซษานั้นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าศรีษะนั้นถูกยกขึ้นมาตําแหน่งสูงมากครับคือเป็นเทพนะครับคือเป็นลูกของพระเจ้า โรมนั้นก็ยังควบคุมโดยทางนโยบายโดยการออกกฎหมายของโรมและการรีดภาษีจากชาวปาเลสไตน์รวมทั้งพวกยิวด้วยเพราะฉะนั้นจึงนำมาซึ่งการเกลียดชังคนยิวครับคนยิวก็เกลียดชังโรมนะครับไม่ไว้ใจโรมโรมนั้นก็ไม่ได้ปกครองแบบเข้าไปนั่งในหัวใจของคนยิวครับหรือไม่สามารถให้ยิวตายใจได้ กษัตริย์เฮโรดนั้นก็ไม่ไว้ใจคนยิวยิวก็ไม่ไว้ใจกษัตริย์เฮโรดเพราะถือว่าเฮโร่นั้นเป็นตัวแทนของโรมนี่คือการเข้าสู่การบาลานซ์อำนาจพลังทางการเมืองภายใต้ความขัดแย้งนะครับจากความขัดแย้งนี้เองนะครับจะเห็นนะครับว่าเฮโรดนั้นตัดสินใจอย่างโหดเทียม โดยเฉพาะเฮโรดมหาราชนั้นซึ่งเป็นพ่อของเฮโรดในสมัยที่พระเยซูจะออกมาประกาศข่าวประเสริฐนะครับเฮโรดมหาราชนั้นตัดสินใจฆ่าเด็กที่เกิดมานะครับเด็กที่เกิดมาต่ำกว่าสองปีลงไปที่เมืองเบตเลเฮมเฮโรดนั้นตัดสินใจทำห้ายสิ่งหลายอย่างเพื่อเอาใจรัฐบาลโรมเพราะเขาถูกแต่งตั้งจากโรม พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ากษัตริย์เฮโรนั้นไม่ได้มีความจริงใจครับแต่หลายครั้งเขาก็ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาใจคนยิวแต่เขาก็ไม่ได้ใจคนยิวครับให้เรามาดูต่อนะครับระบบยุติความยุติธรรมคนยิวนั้นพิพากษาตัดสินคดีความโดยใช้สภาแซนเทดรินนะครับซึ่งเป็นศาลยิวในการตัดสินความแต่โทษประหาร สูงสุดจะต้องถูกสั่งจากโรมหรือตัวแทนของโรมที่สั่งการเข้ามาส่งเข้ามาร่วมปกครองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระช น, น, นจะถูกพิพากษานะครับจากแซนเฮดรินไม่พอครับเพราะว่าการพิพากษานั้นเป็นการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจะต้องส่งไปไปหาปีลาศครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าระบบความยุติธรรมการตัดสินพิพากษา เป็นเช่นนี้เพียงครับในวันพุ่งนี้นะครับเราจะมาดูในระบบพรรคการเมืองซึ่งมีสองพรรคครับก็คือพวกฝ่าิสีและพวกจะดูสีอย่างไรก็ตามบทเรียนในวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นเกิดมาถือกําเนิดมาอยู่ในความขัดแย้งอยู่ในความต้องการผู้นํานะครับที่เป็นพระไม่เสียและในเวลาเดียวกัน เปเยซูก็มียอนเดอะแบปทิสซ์ซึ่งเป็นผู้นําทางนํามันคาของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สําคัญก็คือพระเยซูไม่ได้เข้ามาปกครองราชอาณาจักรที่อยู่ในโลกนี้แต่ว่าร่างจักรของพระองค์นั้นอยู่บนสวรรค์นะครับการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของเปเยซูนั้นก็คือการนํามาซึ่งพระคุณการช่วยให้รอดทางด้านจิตวิญญาณเพื่อที่มนุษย์จะได้ชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอยวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน